วันนี้คณะสัทธาญาติโยมลูกหลานก็คงจะจะทราบอาการป่วยของหลวงตาแต่ตามไม่จริงที่จะชี้แจงแถลงข่าวแล้วแถลงไขการเจ็บป่วยก็เป็นหน้าที่ของหมอนะพวกคณะแพทย์คณะหมอแต่หลวงพ่อนี่อาตมาภาพเนี่ยเพียงแต่ว่าบอกกล่าวเล่าสิบให้ คณะชาติญาติย่มได้ฟังที่ได้เห็นองค์หลวงตาคอือเมื่อกี้นี้พระท่านมาบอกว่าองค์หลวงตาอยากจะลงมานะ อ, อ, อ, อยากจะลงมาแต่ว่าพวกคณะแพทย์ก็คงจะขอร้องเอาไว้ เ, เพราะว่าท่านมีมีไข้นิดหน่อยแล้วก็หมอก็เลยขอร้อง เ, อเมื่อกี้นิดหลวงตาเนี่ยเพราะว่าพวกคณะ มาดูมาขยับที่นั่งของท่านเนี่ยเพราะว่าหลวงตาจะลงมาแต่คณะแพทย์ก็คงจะขอขอร้ององค์หลวงตานะก็ไม่แน่เหมือนกันในะขณะที่หลวงพ่อของอาตมาภาพพูดอยู่เนี่ยหลวงตาอาจจะลงมาก็ได้ในช่วงนะที่อาตมาพูดการการป่วยไข้ขององค์หลวงตานก็เพียงแต่อบอกเก่าวเล่าสิบคณะทาญาทโยมคงให่ แต่ในรายละเอียดแล้วคงจะหมอก็คงจะชี้แจงแก่คณะศรัทธาญาติโยมได้ทราบแต่ส่วนลุงพ่อนี่คืบอบเห็น เ, เป็นยังไงก็มาบอกกล่าวเล่าสิบให้แก่คณะศรัทธ า, าญาติโยมได้ฟังว่าวันนี้วันนี้เป็นวันที่วันที่หนึ่งธันวาพุทธศักราช2553ัอาการป่วยขององค์หลวงตามเมื่อวานก็รู้สึกว่าแพทยอ์อาจารย์มาจากสิริราช ศาราจารย์เมื่อกี้ทั้งทั้งสามท่านนะและก็มีหมอผอศอรีนครินกอนแก่นคณะแพทย์ขอนแก่นและกับผ อ, อ, อกับคณะแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อุดรมาประชุมกันสิบกว่าท่านเมื่อวานในคณะแพทย์ทางนั้นมาที่แรกก็อยากจะดูในท้ององคลุงตาว่ามีน้ํำที่พวกเราเคยรับผู้รับทราบมีน้ํา เกี่ยวกับตับอ่อนอักเสะแต่นี่ก็คณะแพทย์ก็จะสดอดถวายสายยางถอดสายยางพอปรึกษากันแล้วกันเลยไปไประชุมกันพอประชุมกันประมาณสักเที่ยงเที่ยงกลับมากลับมาตรวจอีกพอมาตรวจอีกคราวนี้น้ำในท้องของหลวงตาไม่รู้หายไปไหนหายหมดเลยเออ พวกแพทย์ทั้งหลายก็งงอีกหมือนกันเอาทำไมน้ำในท้องลงตาทั้งสองลิตรกว่าหายไปไหนเอดูรแล้วก็ถ้าอย่างนี้ข อ, อวันพรุ่งนี้เดีด๋ยวอีกสักวันสองวันเนี่ยก็คงจะถวายอาหารน้ำน้ำได้แล้วเนี่ยเหมือนกันแต่ก็เมื่อวานก็รู้สึกว่าลงตามีไข้แมีไข้คงจะเกี่ยวกับ หมอเขเลยสันนิษฐานว่าครัคงจะเกี่ยวกับท่อสา ย, ยางมันอาจจะอักเสบนิดหน่อยแต่ทําให้ลงตาเป็นไข้เขาก็เลยเปลี่ยนสายมาข้างนี้อืแต่เมื่อคือนนี่รู้สึกว่าอาการลงตาก็ดีขึ้นนะก็คงไม่มีอะไรแต่ก็คงการเหนื่อยเพลียงองคลุงตาเนี่ยก็คงจะเหมือนเหมือนเดิมะแต่ว่าถ้าพูดว่าลุงตาสีหน้าสดใสไหมอันนั้นไม่ต้องพูดนะ ลงตายังกระปี้กระเป๋าสีหน้าของท่านสรุปแล้วก็คือท่านไม่ทุกข์กระทาดขันมีแต่ท่านดูตัวของท่านดูดูแล้วเห็นเห็นใครๆก็ลงตายังสดใสผ่องใสก็คงจะลักษณะที่ว่าหลวงตาไม่ทุกข์กระทาดขันแต่ว่าความเด็ดเดี่ยวของลงตานั้น ที่อาตมาภาพไปพูดเมื่อวานท่านว่าเราจะจะอยู่คนเดียวเราจะอยู่อยากจะอยู่แบบสงบสงบเพราะนั้นคณะทัดทาญาติโยมทุกๆท่านนะในช่วงนี้ถึงใครอยากจะเข้าไปถวายหรือไปกราบองค์หลวงตาอย่างไงก็ให้รอซะก่อนเพราะองค์หลวงตานี่รู้สึกว่าธาตุขันของท่านอ่อนแต่ถ้าว่าพวกเราบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าลูกหลานของเราเป็นหวัดเป็นไข้วัด อย่างเนี้ยมันติดได้ง่ายเพราะฉะนั้นขอให้อยู่ห่างๆองค์หลวงตาไว้ก่อนอย่างพระสงฆ์ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ได้กำรรชับหมู่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนมาจากทิศ ต, ต่างๆสำนักต่างๆคืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการาเวลาตัวเองยังเป็นวัดอยู่ก็เข้าไปใกล้หลวงตาอย่างเนี้ยจะทำให้หลวงตาติดวัดได้ง่ายเพราะธาตุขันของลวงตานี่อ่อนอยู่แล้วนะ เพราะนั้นขอพระสงฆ์เนี่ยก็อยากจะให้ห่างๆองค์ลงตาไว้องค์ที่อุปตธรรมพระถาใกล้ชิดองค์ลงตาก็มีอยู่แล้วแล้วก็ยังอยากจะย้ำในเรื่องจุดที่ว่าก่อนที่พวกคณะแพทย์คณะหมอหรือคณะพระสงฆ์ที่อยู่ใกล้องค์โลงตาเนี่ยจะทำอะไรจะไม่ทำโดยพระราการอันนี้ย้าจุดไว้อยู่เสมอนะย้าให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลาน พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้ทราบในทั่วหน้ากันเราจะทําอะไรกับองค์หลวงตาจะเป็นฉีดยาก็ตามจะให้น้ําเกลือ ถ, ถวายน้ําเกลือท่านก็ตามเราจะต้องกราบขอท่านซะก่อนท่านอนุญาตซะก่อนพวกคณะแพทย์และคณะฝ่ายพระสงฆ์จึงได้พร้อมใจกันถวายท่านแต่ถ้าว่าท่านไม่ยอมยศเพียงคําเดียว พวกเราจะไม่ฝืนกันต่อไปภายภาคหน้าละว่าน่าจะเกิดประโยชน์ถ้าได้ถวายยาจุดนี้แล้วก็ขอร้องท่านอีกท่านบวชยศเราก็ต้องหยุดอีกนะอันนี้คณะพวกเราทำมาโดยตลอดเพราะฉนั้นขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เราที่ได้ยินอาตมาภาพหรือว่ากระผมได้พูดออกไปนี้ข อ, ขอให้รับทราบทวนหน้ากัน แล้วก็อาการป่วยขององค์หลวงตาของพวกเราก็อย่างที่อรตมาภาพได้แจงหรือว่าบอกกล่าวให้พวกเราได้ฟังอาการของท่านถ้าจะว่าไปก็ทรงทรงถ้าจะว่าดีขึ้นไหมก็ดีกว่าแต่ก่อนเพราะว่าท่านไม่อึดอัดในในท้องของท่านแล้ก็ปัจจวะออกได้ดีปัจจวะได้มากขึ้นแต่ส่วน ทายหรือหนักนั้นไม่มีเพราะว่าท่านไม่ได้ฉันอาหารมาตั้งแต่วันที่1ิบห้านะวันที่15พฤศจิกาวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งธันวาก็เป็นเวลาสิบกว่าวันเพราะนั้นอาหารในท้ององค์หลวงตาถ้ามีจะมีแต่เนื้อเยื่อแต่เมื่อคืนนึงก็ได้ถาม พระอุปัถามปถากเหมือนท่านจะเข้าห้องน้ำอยู่แต่ก็ไม่มีไม่มีไม่มีถ่ายเพราะงั้นแต่น้ำปัสสาวะนั้นมีอย่นี่แหละอันนี้ก็คืออาการเจ็บป่วยของหลวงตาประจำวันแต่ทะนี้พวกเรา ท, ทุกท่านคเนี่ยคณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนก็ข อ, ขอให้มีตั้งอกตั้งใจแล้วว่าทาคุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดี ในขณะที่องค์หลวงตายังป่วยไข่อยู่เนี่ยให้คณะสิทธิ์ทั้งหลายเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันถ้าว่าพวกเรามีความพร้อมเพียงสมัคคีเป็นหนึ่งเดียวหลวงตาคงจะหายวันหายคืนเหมือนกับพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราท้าลูกมีความพร้อมเพียงสมคัคคีเข้ามาเยี่ยมพ่อแม่พร้อมเพียงสมัคคีกันพ่อแม่ก็ คล้ายๆกับว่าถึงจะไม่แสดงออกทางกายทางวาจาแต่ในใจของท่านท่านก็เออลูกหลานมีความพร้อมเพียงลูกของเราหลานของเรามีความพร้อมเพียงสมัครขี่ท่านก็ดีใจลึกๆแต่ถ้าว่าเข้ามาแล้วกัทะเลาะเอกแวงกันเข้ามาใกล้ ก, กันกับตาเขียวต่อหน้าต่อตาท่านเนี่ยเราคิดดูไปแล้วกันบอกพ่อแม่จะมีความสุขกับลูกกับหลานไหมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่าน หลวงตายิ่งละเอียดกว่านั้นอีกทำไมยิ่งละเอียดเพราะท่านมีญาณทัศนะหลวงพ่อเชื่อมั่นอย่างนั้นเอ่เชื่อมั่นว่าท่านหลวงตาของเรามีญาณทัศนะคือท่านรู้ความนึกคิดของสิทิญาณุสิทธิทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าไปคิดทางอา ก, กุศลให้เป็นคิดเป็นฝ่ายกุศลเท่านั้นในองค์หลวงตานะให้คิดดีทาดีพูดดีเอคือมีจิตเป็นกุศล อย่างหลวงพ่อเคยพูดพูดให้แก่คณะสัตย า, า, ญญาติโยมที่ไปเกี่ยวข้องกับจะมาภาพเห็นไหมโครงการช่วยชาติของหลวงตาสมัยใหม่ๆเขาเอาเงินดอนลลาร์มาตีเงินไทยคนไทยนักวิชาการทั้งหลายเขาก็บอกว่าทำไมหลวงตาไม่เอาเงินดอนลลาร์เข้าไว้คลังหลวงเพื่อจะใช้จ่ายให้มันทันท่วงทีเพื่อพยฒนเศรษฐกิจทําไมหลวงตาจึงเอาทองคําเข้าคลังหลวง พ่อบอกวัน่ยหลวงตามีอนาคตตังอสยานท่านคิดไปในอนาคตเนี่ยทองคํำนี่จะเปิดเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติลูกหลานนานเท่านานจริงไหมทุกวันเนี้ต่างประเทศเขาก็ต่างคนก็ต่างซื้อทองคําเข้าคลังหลวงกันทั้งนั้นที่นี่นั่นเห็นไหมหลวงตานําก่อนแล้วหลวงตานําก่อนแล้วเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมั่นใจนะเนี่ยทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งอยุคลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดองค์หลวงตา หลงตาท่านมองดูท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนั้นอาตมาภาพเองอจึงจะขอร้องทุกท่านให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้มีความพร้อมเพียงสมัคีในหมู่ในคณะคิดให้คิดดีทำออกไปก็ให้ทาดีพูดออกไปก็ให้พูดดีอย่าไปพูดใช้ขวานในปากของเองั่งฉับตัว น, นั้นฟันคนนี้ไปเรื่อยคนที่สูงก็เลยหมู่ในคณะก็เลยละแวงแคลงใจกัน อันนี้อาตมาภาพขอบอกกล่าวในคณะสิทธิของหลวงตาฝ่ายพระสงฆ์ท่านหนึ่งอาตมาภาพเองไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้น้อยถือว่าเป็นสิทธิ์ด้วยกันทุกคนเป็นผู้ได้รับธรรมะจากองค์หลวงตาบางท่านอาจจะได้รับธรรมะอันสูงสง่งหรือว่าได้ปฏิบัติตามธํามคำสอนขององค์ท่านอย่างจุดพ้นไปแล้ว ก็คงจะมีเพราะว่าธรรมะขององค์หลวงตาเนี่เป็นธรรมะที่สูงสุดที่สุดที่พวกเราให้ฟังดูให้ศึกษาดูนะเป็นธรรมะที่หลุดพ้นนี่ที่หลวงตาแนะนําสั่งสอนคณะสิทธิาณุสิ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายนะบัดโชคดีนะเกิดมาชาตินี้นะนโชคดีได้มาเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้พบแนวปฏิปทาของสายหลวงปู่มั่นตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราเนี่ยเราไม่เสียชาติเกิดมาชาตินี่ทางทางโลกเราก็ได้ส่อแสวงหาทรัพย์ตามสมควรแต่ทางธรรมเราก็มีที่พึ่งทางด้านจิตใจได้ยึดแนวแถวปฏิปทาเรื่อแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อหรืออาตม า, าว่าพวกเราโชคดีนะเกิดมาชาตินี้นะไม่เสียชาติเกิดเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทกุกทุกท่าน ที่ได้มาพบมากราบมาไหว้องค์หลงตาให้ทําบุญทำทานรักษาศีลภาวนาหลวงตาของเราจะแนะนําการทําบุญทำทานเพื่อถ้าว่าเราไม่พบไม่พ้นทุกในชาตินี้อันนี้สงทานของเรานจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเกิดพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่ยากราบรื่นเพราะอั น, นิี้สงทานเกื้อกูลหนุนอันนี้สงศสีลก็คุ้มครองพวกเราอยู่เย็นเป็นจุกอันนี้สงภาวนาของเรา ก็บำเพ็ญไปเรื่อยๆอีกสักวันหนึ่งเนี่ยพวกเราก็จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารแต่พวกเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลทางไม่ดีเไปทางต่ำเนี่ยอากตังลุกตังเสยโยปัชชาตปติลุกตังยยตรตกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมผอผานเมื่อภายหลังให้ายๆว่าเมื่อทากรรมชั่วแล้ว กรรมชั่วนั้นพาเราไปทางที่ชั่วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสั่งสมแต่คุณงามความดีอย่างหลวงพ่อเ ค, เคยบอกอีกนะหลวงพ่อเป็นบ า, าลีกกโค ก, ก, กว่าุกตะตังทุกตะเต้ยโยประชาตปฏิทุกตะตั้งแต่แปลว่ากรรมชั่วจะทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมผอผานเมื่อภายหลังแต่งหลวงพ่อบอกว่ากรรมชั่วจะทำเสเลยดีกว่า พอใครทำกรรมชั่วไปแล้วนะ่ะเขาจะเขียนประวัติของเรายากเมื่อภายหลังเขียนประวัติยากยังไง เ, เมื่อเราตายไปนะพวกเราเคยคงจะเคยได้ไปงานศพนะพอคนตายไปแล้วเนะี่ยเขาจะอ่านประวัติผู้ไวชนนะประวัติพออ่านขึ้นมามิจะยกแต่ของดีๆทั้งนั้นเขามาอ่านแต่พวกที่อยู่ใกล้นะโอ้ตายนายนี้นามสกุลนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในครอบครัวดีเป็นผูกมันขยันเสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์ร่อมเย็นเป็นสุขทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองกับพูดไี่แต่ยกยอปอปั่นกันแต่ทําให้จริงผู้อยู่ใกล้ว่าแต่ละวันกินแตเ่เหล้าเที่ยวกินเหล้าเมายาสุลานารีไม่รับผิดชอบในครอบครัวเลยพอมาถึงบ้านก็น่ะอเอาเมียเป็นกระสอบ เฮ้ยซ้อมวยเฮ้แต่พอตายไปแล้วเขียนประวัตินนัเลิศเลอไปหมดเลยไอ้พวกอยู่ใกล้เดี๋ยโอ้ก็อักกะอวนเหมือนกันเขาเขียนได้ยังไงเขียนประวัติคนคนนี้เนี่ยแหละอันนี้เขาขอฝากให้กับพวกเรานะอย่าให้เขาเขียนประวัติยากเมื่อภายหลังเหราอนกันแต่พอเขียนเข้าไปแล้วโอ้ไอ้คนที่เขียนกับคงจะยกคนแบบเดียวกันนั้น่ะเขายังเขียนกันได้อย่างนี้ไอ้คนที่เขียนก็บอกโอ้ เป็นรู้จะเขียนยังไงจะจะเขียนเอาแต่ความชั่วออกมาประจานกันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะช่วงนี้เป็นช่วงตายของเขาแล้วถึงอย่างนั้นก็เอายกให้มันดีๆไปก่อนก็นแล้วกันเพื่อให้เริ่อหูผู้ได้ยินได้ฟังสั้นหลบแล้วก็คือนั่นแหละหลวงพ่อว่าอาตมาภาพว่านถ้าว่าเราทํากรรมไม่ดีทํากรรมชั่วไว้แล้วผู้เขาเขียนประวัติเมื่อวัยชนจะเขียนประวัติยากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ ให้ทำแต่กรรมดีให้ทําสิ่งที่ดีในประวัติจะให้เสียประวัติของตนเองสิ่งไหนที่มันดีก็ทําสิ่งนั้นนะแล้วก็พร้อม ก, กันก็อย่างที่อาตมาภาพได้บอกกล่าวขอร้องกับพวกเราจิตญาณุสิทธุทุกหมู่เหล่านะให้ตั้งจิตอธิษฐานเมื่อไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเมื่อทํากุญญงามความดีอย่างมาทำบุญในวันนี้ล่ะยกปนมือสาธุสาธุ ด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้บาเพ็ญมาในอดีตชาติมากน้อยจนถึงปัจจุบันในชาตินี้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วทั้งหลายทั้งปวงขอให้เป็นพลังสนนให้สุขภาพขององค์หลวงตาหายจากโรคขาพญาติแล้วก็ขอให้หลวงตามีความสุขเอ สุขภาพลุงตาแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บให้เนโลมาเทศสนาว่าการแนะนำสั่งสอนพวกเราเหมือนครั้งก่อ น, อนที่ก่อนที่ลงตาป่วยไข้แล้วก็ขอให้ลงตาหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเร็วะด้วยบุญด้วยกุศลของพวกเราคณะสิทธิานุสิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้เป็นพลังนะให้สุขภาพลุงตาหายแล้วก็ ให้หลวงตามีความสุขความสบายในทาตดในขานของหลวงตาด้วยเทิน